พระเจ้าเนมิราตรัสถามว่าวิมานอันบุญญาุภาพตกแต่งแล้วนี้ประกอบด้วยภูมิภาคหน้ารื่นรมจัดสรรไว้เป็นส่วนๆเปล่งแสงสว่างออกจากฝากแก้วไพรทูลเสียงทิพย์คือเสียงเปิงมางเสียงตะโพนการฟ้นรำขับร้องและเสียงประโคมดนตรีย่อมเปล่งออกหน้าฟังเป็นที่รื่นรมใจ เราไม่รู้สึกว่าได้เห็นหรือได้ฟังเสียงอันเป็นไปอย่างนี้อันภพราออย่างนี้ในการก่อนเลยความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพพระภุนี้ได้กระทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน มาตลีเทพสารธีทุนพยากรพระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรนี้เป็นคฤรหบดีในกรุงพารณสีเป็นธานบดีได้ก่อสร้างอารามบ่อนนิบสะน้ำและสะพานได้ปฏิบัติบำรุงพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เยือกเย็นโดยเคารพ ได้ถวายจีวรบินทบาทเสนาสนะอิลานะปัจจัยในท่านผู้ซื่อตรงด้วยใจเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์แปดในดิถีที่ส4บสที่สิบห้าที่แปดแห่งปักและปาติหาเรียปักเป็นผู้สังวรในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกฐานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมาน พระเจ้าเนมิราชตรัสว่าวิมานทองอันบุญญาณุภาพตกแต่งดีนี้สุขใสดุดดวงอาทิตย์แรกอุทยัยดวงใหญ่สีแดงฉะนั้นความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นวิมานทองนี้แน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพบุรนี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน มาตาลีเทพสารถีทูลพยากร์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทาบุญทั้งหลายแต่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรนี้เป็นคฤรหบดีอยู่ในกรุงสาวัตถีเป็นทานบดีได้สร้างอารามบ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติบำตบรุงพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เยือกเย็นโดยธรรม ได้ถวายจีวรปินทบาทเสนาสนะคิลานะปัจใจในท่านผู้ซื่อตรงด้วยใจเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์แปดในดิทีที่สิบสี่ที่สิบห้าที่แปดแห่งปักและปาติหารียปักเป็นผู้สังวรในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกฐานจึงบันเทิงอยู่ในวิมาน พระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าวิมานทองเป็นอันมากเหล่านี้อันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วลอยอยู่ในนาภากาศภายโรโชช่วงดังสายฟ้าในระหว่างก้อนเมฆฉะนั้นเทพบระบทุทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากประดับสัมภารลอันหมู่เทพนารีห้อมล้อมพลัดเปลี่ยนเวียนอยู่ในวิมานนั้นๆโดยรอบความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เรา เพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแนมาตตลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพบุตรเหล่านี้ได้ทำความดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทาบุญทั้งหลายแต่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่า เทพบุตรเหล่านี้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นด้วยดีในพระสัตธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาข้าแต่พระราชาขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรสถานที่สถิตของเทพบุตรเหล่านั้นเถิดมาตาลีเทพสารธีทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้า สถานที่อยู่ของผู้มีกรรมลาภ์พระองค์ก็ทรงทราบแล้วอันหนึ่งสถานที่สถิตของผู้มีกรรมอันงามพระองค์ก็ทรงทราบแล้วข้าแต่พระราชาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญพระองค์สเสด็จขึ้นไปในสำนักของเท้าสักกะเทวราชในบัดนี้เถิดพระศาสดาตรัสว่าพระเจ้าในมิมหาราช ระทับอยู่บนทิพยานอันเทียมมา้าศิลทบหนึ่งพันจะเด็จไปอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นภูเขาทั้งหลายในระหว่างณทีสีธันดรครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วได้ตรัสถามมาตาลีเท พ, พบุตรว่าภูเขาเหล่านี้ชื่ออะไรมาตาลีเทพสารธีทูลว่าภูเขาใหญ่ทั้งเจ็คือภูเขาสุดทัศนะภูเขากระวีกะ ภูเขาอิสินทระภูเขายุคันธระภูเขาเนมินทระภูเขาวินตะกะและภูเขาอัศสสกันนะภูเขาเหล่านี้สูงขึ้นไปโดยลำดับอยู่ในมหาสมุทรสีทันดอนเป็นที่อยู่ของเท้าจาตุมหาราชขอเชิญพระองค์ทอพพระเนรเถิดพระเจ้าข้าพระเจ้าเนมิราชตรัสว่า ประตูมีรูปต่างต่างรุ่งเรืองวิจิตต่างต่างอันรูปเช่นรูปสั ก, กรินทรเทวราชแวดล้อมรักษาดีแล้วดุดป่าอันเสือโคร่งทั้งหลายรักษาดีแล้วฉะนั้นย่อมปรากฏความปลื้มใจย่อมปรากฏแกเราเพราะได้เห็นประตูนี้แะมัตลีเทพสารถีเราขอถามท่านประตูนี้เขาเรียกชื่อว่าอะไร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 ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสิเนรุราชอันงามน่าดูปรากฏอยู่มีรูปต่างๆตงรุ่งเรืองวิจิตต่างๆอันรูปเช่นรูปสักกรินทระเทวราชแวดล้อมรักษาดีแล้วดุดป่าอันเสือโครงทั้งหลายรักษาดีแล้วฉะนั้นย่อมปรากฏข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปทางประตูนี้ จงทรงเหยียบภูมิภาคอันราบรื่นเถิดพระศาสดาตรัสว่าพระเจ้าเนมิมหาราชประทับอยู่บนทิพยานอันเทียมมาศิลทบหนึ่งพันเสด็จไปอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวสภานี้พระเจ้าเนมิราชตรัสว่าวิมานอันบุญญาุภาพตกแต่งแล้วนี้ทองแสงสว่างจากฝาแก้วไพยทูล เรากับอากาศส่งแสงเขียวสดปรากฏในสารฐการฉะนั้นความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นวิมานนี้แนมาตรลีเทพสารถีเราขอถามท่านวิมานนี้เขาเรียกชื่อว่าอะไรมาตรลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสตรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทาบุญทั้งหลาย แต่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่ามิมาณนี้นั้นเป็นเทวสภามีนามปรากฏว่าสุธรรมาตามที่เรียกกันรุ่งเรืองด้วยแก้วไัยทูลงามวิจิตอันบุญญาณุภาพตกแต่งดีแล้วมีเสาทั้งหลายแปดเหลี่ยมทำไว้ดีแล้วล้วนแล้วได้แก้วไัยทูลทุกทุกเสรารองรับไว้เป็นที่ซึ่งเทพเจ้าเหล่าดาวดึงทั้งหมด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 ค่าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วอันหนึ่งพระองค์มิได้เสด็จมาร้ายข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญประทับนั่งในที่ใกล้เท้าสักกะเทวราชณนะบัดนี้เถิดเท้าสักกะเทวราชทรงยินดีต้อนรับพระองค์ผู้เป็นพระราชาแห่งชาววิเทหราชผู้ทรงสงเคราะห์ชาวกรุงมิถิลา ทาวาสวะเทวราชทรงเชื้อเชิญให้เสวยทิพยกากมมารมรมและประทับบนทิพยาอาศเป็นความยินดีแล้วที่พระองค์เสด็จมาถึงทิพยสถานอันเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายผู้ยังสิ่งที่ตนประสงค์ให้เป็นไปได้ตามอำนาจพอเชิญประทับอยู่ในหมู่เทวดาผู้สำเร็จด้วยทิพยาการทั้งมวล ขอเชิญเสวยทิพยาการามรมในหมู่เท พ, พเจ้าชาวดาวดึงเถิดพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าจริงใดที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้สิ่งนั้นเปรียบเงินยวดยานหรือทรัพย์ที่ขอยืมเขามาฉะนั้นหม่อมฉันไม่ปรารถนาสิ่งซึ่งผู้อื่นให้บุญทั้งหลายที่หม่อมฉันทําเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามหม่อมฉันไป หม่อมฉันจะกลับไปทำกุศลให้มากในหมู่มนุษย์ด้วยการบริจาคทานการประพฤติสม่ำเสมอความสำรวมและการฝึกอินทรีย์ซึ่งทำไว้แล้วจะได้ความสุขและไม่เดือดร้อนในภายหลังมาตาลีเทพสารถีผู้เจริญเป็นผู้มีอุปการะมากแก่หม่อมฉันได้แสดงสถานที่อยู่ของผู้มีธรรมอันงาม และผู้มีกรรมอัลลาโมกแก่หม่อมชันพระศาสดาตรัสว่าพระเจ้าเนมิราชราชาแห่งแคว้นบิเทหะผู้ทรงอนุเคราะห์ชาวมิทิลาตรัสคาถานี้แล้วทรงบูชายันเป็นอันมากทรงเข้าถึงความเป็นผู้สำรวมแล้วเนมิราชชาดกที่สี่จบ